แล้วตอนนี้ไปตั้งใจสมาทานศีลวันนี้เป็นวันพระใหญ่พวกเราเข้าพรรษามาวันนี้เป็นวันที่สิบห้าหรืว่าสิบห้าวันวันพระแรมสิบห้าค่เดือนแปดเป็นวันเดือนแปดดับวันนี้วันเข้าพรรษาเป็นวันเดือนแปดเพนแล้วก็พร้อมกันพวกเรา ก่อนเข้าพรรษาได้ตั้งใจอะไรไว้บ้างได้ตั้งคำสัตย์อะไรไว้บ้างอย่าให้ขาดตกบกพร่องอย่าให้ล้มเหลว อ, อย่าให้เป็นไม้ปักขี้เลนที่ตั้งใจเอาไว้นั้นให้พยายามรักษาเอาไว้ส่วนอื่นมันล้มเหลวมามากหลายๆายอย่างแต่บัดนี้พวกเราอยาให้มีปัญหาให้พวกเราตั้งอกตั้งใจ ให้ดีแต่ถ้าว่าพวกเราทำอะไรเหมือนไม้ปักขี้เลนสิ่งที่จะเป็นคุณงามความดีก็ล้มเหลวถ้าว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ว่ากันน่ะอันนี้เป็นคำสั์จริงของพวกเราที่พวกเราจะต้องเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้ใส่ใจเป็นกรณีพิเศษนะเรื่องคุณธรรมศีลธรรมในจิตใจเพราะที่หวังของพวกเรา ความหวังของพวกเราที่เป็นขั้นสุดท้ายเรีอกว่าเป็นความหวังของพวกเราเป็นความหวังจริงๆคือศีลธรรมเนี่ยนะที่มองไม่เห็นเนี่ยนะส่วนอื่นเราอย่าหวังอย่าไปหวังพึ่งมันหวังพึ่งไม่ได้ไปหวังพึ่งทรัพย์สมบัติไปหวังพึ่งลูกเต้าเล้าหลานสามีภรรยาวงศานาญาตเราพึ่งไม่ได้ทั้งนั้น อันนี้คือขั้นสุดท้ายเราต้องหวังพึ่งคุณงามความดีของเราที่ได้สั่งสมแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทําคุณงามความดีเราจะคิดพึ่งอะไรมันไม่มีที่พึ่งนะจุดนั้นว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมนะพราวาพะวง์เพราะนั้นให้พวกเราเตรียมตัวไว้แต่นั่นเนิ่นให้ฟังเอาไว้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลักของพระพุทธศาสนาสอนพวกเราไม่มีสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งอันกเกษมยิ่งกว่าคุณงามความดียิ่งกว่าธรรมคือศีลธรรมนี่แหละเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพวกเราพวกเราคิดดูกันแล้วกันนะคิดดูให้ดีกันแล้วกันที่หลวงพ่อพูดในจริงไหมนั่งคิดนอนคิดยืนคิดเดินคิดคิดยังไงก็มันหาที่พึ่งไม่ได้จะพึ่งขอบพึง ขัวพึ่งผัวพึ่งเมียพึ่งวงศาคณาญาติพึ่งทรัพย์สมบัติมันก็พึ่งได้ชั่วคราวอีกสักวันหนึ่งต่างคนก็ต่างจากกันไปไม่รู้ไปไหนนอกจากบุญกับบาปที่จะนำจิตใจของพวกเราไปสู่ภพภูมิต่างๆได้เพราะนั้นในพรรษานี้หลวงพ่ออยากจะทำความเข้าใจกับศรัทธาญาติโยมทุกๆ ท, ท่านอย่าให้ล้มเหลวที่พวกเราตั้งใจเอาไว้ บางคนก็ว่าเออผู้ค่าจะมารักษาศีลทุกวันพระข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันพระข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตรตรมาสสามเดือนข้าพเจ้าจะใส่บาตรทุกวันพระนหรือข้าพเจ้าจะใส่บาตรทุกวันหรือว่าข้าพเจ้าถึงจะมาในมาใส่บาตรข้าพเจ้าจะใส่บาตรในบ้านใส่บาตรในบ้านคือยังไงสมมุติว่าเออ หลวงปู่หลวงตาวัด ต, ต่างๆที่เรารักเคารพนับถือวันนี้เราจะใส่บาตหลวงตากี่องค์คู่บาตรจานกี่องค์สี่องค์ห้าองค์จะใส่อะไรขนมกล้วยลูกละเท่าไหร่ลูกละสองบาทสามบาทเราก็ใส่ห <c oughs> ยอดกระปุกลงไปนี่แหละอันนี้คือการทำบุญเหมือนกันคือการใส่บาทเหมือนกันจากนั้นก็นํามาถวายท่านท่านก็ได้ใช้ ดูแลบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราอีกเหมือนกันเพราะะการทำบุญถ้าใช้ปัญญามีมากมายที่พวกเราจะมีช่องทางที่จะทำบุญได้เวียนเสียต่ไม่คิดไม่ขนไขปอยู่ใกล้พระพุท ธ, ธเจ้าจับชายสบงจีวรสังคาติอยู่จิตใจก็ยังนุ่นเผลอเผอยังดูถูกเยยดย้ำอยากจะฆ่าท่านอีกอย่างพระเทวทัต อยากจะฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแทนอีกต่างหากฮ ะ, ฮะกิเลตมันไม่ใช่ธรรมดานะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในจิตใจของพวกเราให้ดูมันไว้สิ่งไหนที่มีเหตุผลถึงไหนที่ไม่มีเหตุผลให้พวกเราตันกรองไต่ตรองในจิตในใจของพวกเราสรุปแล้วก็คืออย่าให้ล้มเหลวในพรรษานี้นี่เข้าพรรษามา15วันวันนี้แหละแล้วก็ที่พวกเราตั้งใจเอาไว้ มีสัจจะความจริงใจเอาไว้จะให้ล้มเหลวให้รักษาเอาไว้คือสัจจะบา ร, รมีสัมปัโนโอิติปิโสปะกาวะ่ยคือสัจจะคือความจริงจังและจริงใจที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสูรร้ทำแอบสัจจะบา ร, รมีของพระองค์ที่ได้สั่งสมคุณงามความดีมาทั้งอดีตทั้งปัจจุบันท่านไม่ล้มเหลวไม่ล้มเลิกเป็นผู้มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีด้วยสัจจะบา ร, รมีนั้นมาช่วยส่งเสริม ขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าว่าพวกเรามีสัจจะบารมีในจิตในใจถ้าเรารักษาศีลตั้งสัจจะอธิษฐานก่อนเข้าพรรษาว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถตลอดทุกวันพระ8ค่ำ15บ้าค่ำแต่ตามไม่จริงเพียง12วันเท่านั้นเองสมเดือนมันก็ไม่เห็นมากนะเราปล่อยปะละเลยมานี้เท่าไหร่ เราต้องบวกลบคูณหารดูสิการสร้างคุณงามความดีของพวกเราเป็นที่อุ่นใจหรือยังที่พวกเราทำมาที่ผ่านๆมาถ้าเรายังไม่อุ่นใจเราก็ควรจะพยายามทาเรื่อเร่งเข้านะพยายามทําให้ทีขึ้นนะเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของพวกเราเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งละวันอุโบสถขอให้พวกเรารักษาศีลเป็นไปได้ก็อุโบสถรักษาศีลแป อยางน้อยก็ศีลห้าเนี่ยอย่าให้ขาดเถอะนะก็ไม่เห็นจะมีอะไรไม่ฆ่าสัตว์เราก็คิดถึงชีวิตเขาชีวิตเราทินนาทานก็เหมือนการกาเมสศมิชฉาจานมุสาอย่ามุสานี่ก็คือโกหกเล็กๆน้อยๆแต่ตามไม่จริงวันนี้ก็ให้ส้ำรวมปากตัวเองไว้บ้างแล้วก็สุราเราก็รู้อยู่แล้วเป็นมนทินไม่เห็นมีอะไรเพียงวันเดียวเราก็ไม่ทำซะงดซะ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 แต่พวกเราท่านทั้งหลายบางคนไม่รู้จักกฎระเบียบหรือวินยัยก็มีการสงสัยเหมือนกันว่าบวชในพรรษาได้อยู่เลิอกอันนี้ก็คือคำถามในใจถ้าว่าหลวงพ่อไม่เฉลยให้ฟังก็คงจะสงสัยไปอีกในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามคนสร้างคุณงามความดีคนทำคุณงามความดีท่านห้ามแต่คนทาความชั่วนะถ้าทาความชั่วนะ นอกพรรษาในพรรษากลางค่ำกลางคืนยืนเดินนั่งนอนขนาดฝันพระพุทธเจ้ายังไม่ให้ฝันเป็นสิ่งที่ลามกมากทั้งนั้นพระพุทธเจ้าห้ามหมดเนี่ยถ้าทําความชั่วคิดถึงชั่วพูดชั่วแล้วแต่ถ้าว่าทําคุณงามความดีไม่ห้ามอันนี้ก็คือเหมือนกันการบวชก็คือสั่งสมคุณงามความดีในครั้งพระพุทธเจ้าที่ต้นพระบัญญัติ เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือบวชในพรรษานี่คือนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นฝ่ายผู้หญิงนีที่อุปรรถัมภะทากพระสงฆ์ดูแลพระสงฆ์ท่านเป็นมหาเศรษฐีนในกรุงสาวัตถีแล้วก็อนาถาเบนติกาเศรษฐีก็คือเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่งที่นางวิสาขานี่ก็ตระกูลหนึ่งเป็นผู้ดูแลพระสงฆ์แต่นางวิสาขานี่มีลูกหลานมาก แล้วก็ในพรนศานี่ก็หลานคนหนึ่งหลานชายคนหนึ่งอยากจะบวชเหมือนนไดนางวิสาขาก็เลยเข้าไปกราบพระสงค์ที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้พระคุณท่านเอ้ยหลานของฉันอยากจะบวชในพระพุทธศาสนาขอให้บวชหลานของฉันด้วยเถิดเพื่อจะได้เป็นอุปนิสัยกับเขาต่อไปเดี๋วนี้เขาอยากจะบวชก็ให้เขาบวชจะ ขอได้ไหมพระสง์ก็เลยบอกโอ้มหาอุบาสิกาพวกอาตมาเนี่พระพุทธเจ้ายังไม่บัญญัติว่าให้บวชในพรรษาหรือไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้บวชในพรรษาเพราะฉะนั้นพวกอาตมาจะรับบวชเลยโดยที่พระพุทธเจ้ายังไม่อนุญาตหรือยังไม่ได้ห้ามเนี่ยพวกอาตมาก็กลัวเป็นต้นบัญญัติให้ใคร้าว่าพิกซุใดก็ตาม บวพระในพรรษาเนี่ปรับอาบัติปรับโทษทีนี่เป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายทีนี่อาตมาก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นให้รอก่อนนะเพราะอันนี้ยังพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติขึ้นมาห้ามหรือไม่ห้ามมหาอุบาสิกาท่านก็มีเหตุผลโอ้พระท่านก็ฟังเหตุผลอยู่จากนั้นก็เอาหลานกลับไปพอหลานกลับไปพอออกพรรษาไอ้เจ้าหนุ่มนี่นก็จิตใจเปลี่ยนแปลงทีนี่น ธรรมดาจิตใจของปุถุชนมันเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมบางทีก็อยากจะบวชพอไปเจอสิ่งที่เป็นที่พอใจกับไม่อยากจะบวชแท้เลยพระนริศก็เลยเบี้ยวไปเลยบเบี้ยวยาวนั้นแหละผมไม่บวชแล้วนะคุณยานะแต่สมัยนะั้นผมอยากจะบวชแต่ตันนี้ผมไม่บวชละนางวิสาขาที่เป็นยากแล้วเสียใจในหลานที่จะให้บวชแล้วไม่บวชให้นางวิสาขาก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าค่ะ หลานของข้าพระองค์จะบวชในพรรษาพระสงฆ์ก็ห้ามเอาไว้ท่านบอกว่ายังพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติวินัยแต่ว่าหลานของข้าพระองค์เนี่ยพอออกพรรษาแล้วก็เลยเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจไม่บวชพระเจ้าข่าหมอมฉันขอพรจากพระพุทธองค์ด้วยเถิดถามว่าลูกหลานกุลบุตรชุดท้ายภายหลังอยากจะบวชในพรรษาก็ข อ, ขอให้พระพุทธองค์พร้อมพระสงฆ์อนุญาตให้ คุณระบุตรเหล่านั้นบวชโดยเทินพระเจ้าค่ะเนี่ยเป็นเหตุตพระพุทธองค์ก็เลยเออเอาเรียกประชุมสงฆ์เถอนี่เรียกประชุมสงฆ์มาแล้วเอา้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าว่าคุณระบุตรสุดท้ายที่เขาเกิดศรัทธาเป็นคนดีมีคุณภาพอยากจะบวชในพระพุทธศาสนาให้พวกท่านทั้งหลายอนุญาตให้บวชได้ในพรรษาแต่ถ้าว่าใครห้ามไม่ให้บวชในพรรษาห้ามคุณระบุตรคือห้าม คุณงามความดีของเขาพิชูใดทําอย่างนั้นปรับอวบัติทุกกฎเป็นโทษอีกเถนี่เพราะฉะนั้นการห้ามคนไม่ให้บวชในพรรษาเนี่ยไม่ได้เพางั้ น, นผิดปรับอวบัติทุกกฎแก่พระถ้าเขาเป็นผู้ตั้งใจเพราะนั้นให้พวกเรารับทราบเอาไว้ว่าการบวชในพรรษาไม่ผิดหลวงพ่อเองก็ไม่ได้มองข้ามชุมชนสังคมถ้าเราเป็นพระ พี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนในเมื่อถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งกายทั้งใจทั้งกายก็คืออะไรกายก็คือนี่ให้การศึกษาให้โรงร่ำโรงเรียนดูแลสุขภาพของลูกของหลานสัทวายาดโยมอันนี้คือกายส่วนจิตใจนะครับแนะนำจิตตวิญญาณเอออย่าไปคิดทางชั่วอย่าไปพูดทางชั่วอย่าไปทาทางชั่วเนะออกตนญาติโยมลูกหลานเนะ้อ สิ่งที่ชั่วและทําแล้วมันเดือดร้อนไปนักสถานที่ใดก็เดือดร้อนเพราะเหตุใดเพราะมันชั่วไปที่ไหนใครก็กลัวใครก็ไม่อยากจะคบค้าสมาคมเพราะความชั่วตัวเองอคิดในทางที่ชั่วพูดในทางที่ชั่วทําในทางที่ชั่วใครๆก็กลัวทั้งนั้นจากความชั่วถ้าคิดดีพูดดีทดําดีไปที่ไหนๆใครๆก็ต้องการอยากจะคบค้าสมาคมนี่แหละ อันนี้ก็คือหลวงพ่อแนะนําทางจิตวิญญาณโดยแนวความคิดของพวกเราท่านทั้งหลายเอ็มพีสาไม่รู้กี่แผ่นเหมือนกันถามว่าวันไหนว่างๆหลว ง, งพ่อว่างวันหนึ่งน่าจะเปิดให้พระเทศพระสอนสักกัรหนึ่งก็ดีหลวงพ่อแนะนำนะเอาหลวงปู่ลาเทศก็ได้เอลงตามหาบัวเทศก็ได้หลวงปูส่สิงทององค์ไหนเทศก็ได้ ให้ฟังเทศวันละหนึ่งกันก่อนนอนก็ได้ตื่นนอนแต่เช้าก็ได้หรือจะเอาเทศหลวงพอ่อไปเปิดฟังก็ได้ให้ฟังสักกันหนึ่งแต่ละวันฟังไปเรื่อยๆให้เป็นแนวความคิดจะ ต, ตั้งใจฟังให้ดีนะไม่ใช่ว่าเปิดขึ้นมาอะไรก็ทำนะกุกๆกิจๆไม่ฟังแล้วก็นอนหลับอีต่างหากเพ้อๆหรือหาว่าพระพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้อีกเพราะตัวเองไม่ได้ตั้งใจฟังถ้าถ้าว่าตั้งใจฟังแล้ว คูใบายานที่ท่านแนะนําที่ท่านสั่งสอนน่ยท่านออกมาจากจิตใจของท่านนะแนะนําสั่งสอนเป็นแนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่พวกพวกเราฟังด้วยดีแล้วจะเกิดเกิดสติเกิดปัญญาอย่างที่หลวงพ่อได้เขียนเอาไว้ไม่รู้ว่ากี่แผ่น ส, สุสังลัษเตปัญญงผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาถ้าตั้งใจฟังจะต้องได้รับจะต้องได้ปัญญาอันในสงแห่งการฟังทำห้าอย่าง ผู้ฟังทำย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นข้อที่สบรรเทาความสงสัยเสียได้ข้อที่สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ข้อที่หขณะที่ฟังทำปล่อยวางพยายามไตรตรองเหตุและผลขณะที่ฟังจิตของผู้นั้นจะได้รับความผ่องใสนี่แหละอานิสงส์แห่งการฟังธรรม ถ้าฟังด้วยดีแล้วพวกเราจะมีความสุขสบายอกสบายใจแต่ถ้าว่าไม่ตั้งใจฟังในอย่างว่านะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าว่าไม่ตั้งใจทำไม่ตั้งใจพูดนะในความคิดก็เหมือนกันไม่จงใจคิดจงใจคิดคือพยายามทำให้เป็นสมาธินะตองจงใจคิดนะถ้าว่าไม่จงใจคิดคือคิดเรื่อยเ ป, ปเื่อยไปเลยหากฎหาเจณฑไม่ได้เพ้อเอเป็นบ้าเอาได้ไง่ายๆนะเพราะมัคิดออกนอกลูนอ ก, ก, นอ ก, นอกทาง พอนั้นคิดก็ต้องตั้งใจคิดพูดก็ต้องตั้งใจพูดทาก็ต้องตั้งใจทำคือความตั้งใจจุดนี้แหละเป็นเริ่มต้นเรื่อว่ามีสติสัมปชัญญะเนี่ยมันเข้ามาหลักจุดนั้นะคนที่มีสติสัมปชัญญะไปณสถานที่ใดถึงจะพูดถึงจะทำสิ่งใดออกไปก็เป็นที่สบาย อ, อกสบายใจแต่ถ้าว่าทาออกไปโดยที่ขาดสติสัมปชัญญะแล้ว มีแต่ความเดือดร้อนบุญนวายตัวเองนั่นแหะจะเดือดร้อนก่อนเพื่อนต่อไปกับเดือดร้อนคนอื่นผลที่สุดก็กล้ำที่ตัวเองกระทาออกไปย้อนกลับมาหาตัวเองท่านนี่เผลอๆอยู่ในคุกอยู่ในตารางอีกต่างหากขายหน้าขายตาทั่วโลกทั่วสงสารทั่วประเทศชาติบ้านเมืองเพราะเหตุไรเพราะตัวเองไม่ได้คิดให้ดีซะก่อนก่อนทําลงไปก่อนพูดลงไปเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกศรัทธา ญ, ญาติโยมชาวพุทธ พวกเราเป็นพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ฉล า, าดผู้เบิกบานทําอะไรให้รอบคอบไว้ดีกว่านะแล้วก็พร้อมกันก็ให้คิดถึงอนาคตของตนเองอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรศียาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้ถ้าเราไม่พึ่งตนเองพึ่งตนเองจุดนี้คืออะไรคือให้สั่งสมบุญกุศลพึ่งคุณงามความดีนะั่นแหะพึงทานพึ่งศีพึ่งภาวนา เวลาใจจะขาดนั่นแหละเราจะเลิกเลิกถึงทานถึงศีลถึงภาวนาของเราใจของเราก็จะนิ่งหลับตาพลิ้วเลยยอมรับเหมาอนกันแต่เราจะกระเสือกกระสนไปอะไรมากมายพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ตายมาให้เราเห็นพอแรงแล้วเราจะยืนอยู่เราจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้เราต้องคิดให้ตลอดคิดดูให้ดหีวางแผนของตัวเองให้ดีให้สังสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจ เมื่อคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจแล้วจิตใจจะมั่นคงจิตใจจะแน่วแน่จิตใจจะไม่สะทกไม่สะทานไม่วันไหวแต่ถ้าพวกเราไม่ได้คิดไม่ได้เตรียมการเอาไว้พอเขาว่าเป็นโรคร้ายรนะน้ําเข่าอ่อนปวกเปียกเพอลอเผอตาเหลือกเข้าไปตายเร็วๆออกตายก็ตายแบบทุกข์ต่างหากถึงจะตายก็ตายแบบรู้เท่ารู้ทันนะพอเราได้คิดได้พิจารณาไว้ล่วงหน้าไว้ไ ก, ก่อนแล้วนะ นี่แหละพระพุทธเจ้าจะว่ามรณะมีผวาวิจติให้ระลึกถึงความตายตัวเองไว้อยู่เสมอจะตั้งอยู่ในความประมาทถ้าหากว่าพวกเราคิดไว้อยู่เสมอเนี่ยพระพุทธเจ้าจะบอกถามพระอ น, นุลคิดถึงความตายวันละกี่ครั้งเนี่ยอันนี้เป็นแนวความคิดของพุทธะนะพระอ น, นุลก็บอกประมาณวันละร้อยครั้งผู้พวกเรายังว่าประมาทอยู่แต่พวกเราเคยคิดไหมแต่ละวันนะให้ถามตัวเองให้คิดเอาไว้นะ ให้เตรียมการเอาไว้ทางพวกเราคิดลึกถึงความตายอยู่เสมอความประมาทความนอนใจความชลาใจความลืมตนลืมตัวโมโหโทโสโกธาอะไรมันจะลดลงหมดถ้าระลึกถึงความตายเฮ้ยเราจะอยู่ไปสักนานสักเท่าไหร่อีกสักวันหนึ่งนะเพราะนั้นเราควรจะสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ต้องพึ่งตนเองนะจุดนั้นนะอัตหิอัตโนนาโถนะนี่นี่แหละถ้าว่าพวกเรามีความใส่อกใส่ใจแล้วว่ามีความตั้งใจอยู่อย่างนั้นหลวงพ่อว่า ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจของพวกเราคิดถึงเวลาได้ก็ะโผ่มใจสบายใจสุขใจนะอตอนนี้รับพอนในตอนนี้นะ